เนฝั่งที่เคารพคะขณะนี้นะคะเราก็ได้เวลาที่จะพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งในรายการนี้ก็คือพระพปี่ยบอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีเพื่อเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนะคะจะทำให้เรานั้นเข้าใจในคำสอนของพระาศาสดาที่นำเอามาใช้ตอบข้อสงสัยของพวกเราได้วันนี้ก็ไปกราบนวัส ก, การ พระภัยบุญกันก่อนก็นแล้วกันนะคะกราบนักนสการ์กันทั้ค่ะเชิญบอลค่ะในเรื่องอพุทธเจนตีนิดนึงคุณยมสิวที่ว่าเราทำเป็นซีรีส์อยู่ตอนนี้ว่าเราจะเชิดชูพระเจ้ชชาด้วยการนำเรื่องของพระเจ้ชชามาเล่าให้ฟังนะในการที่สลองครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ค่ะออต้องบอกอยีนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยฉลาดมากออบางทีเนี่ยเขาบัญญัติอะไรกันอยู่พระเจ้ชชาก็ไปบัญญัติทับเหนือมอย่างอย่างคำว่าอรหันต์อรหันต์อย่างเนี้ย จริงๆมีใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนที่บระพุทธจต้ตรัสสรุน ะ, ะมีมีครั้งหนึ่งสมัยก่อนพระพุทธาตรัสสรุนี่แหละมีกะลาสีเรือคนหนึ่งเขาเดินทางมาค้าขายมาจากอินเดียเนี่ยเดินทางมาสุวรรณภูมินั้นนั่งเรือมาปรากฏว่าคลื่นลมมันแรงแถวบังกลาเทศในพวกเนี้ยน ะ, ะก็ถูกคลื่นซัดแตกเรือแตกปรากฏว่าตัวเองนี่ก็ว่ายน้ำตัวเองตัวเองรอดมาได้แต่ว่าเสื้อผ้านี่หลุดลุ่ยออกหมดเลยลก็เลยมาขึ้นฝั่ง ที่เมืองเมืองหนึ่งแถวประเทศแถวอินเดียที่เชนไนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองเชนไนอะนะค่ ะ, ะปรากฏว่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บเสื่อผ้าหลุดร่อออกมารู้สึกตัวเองทีอยู่ที่ชายหาดเดินขึ้นมาท่องๆเนี่ยนะชาวบ้านก็บโอโ้นี่ผ้าหลานแน่นอนไม่มีอย่างอายเลย <c oughs> เดินท่องๆขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นผ้าหลานขึ้นมาสักคนหนึ่งในโลกทีนี้เครื่องยืนยันตรงนี้ก็มีอีกตรงหนึ่ ง, อ ย, งอย่างมารอย่เงี้ย ก็เคยมาเล่าให้ผู้ชาฟังว่าเออเนี่ยคนหนึ่งเขาก็มาปริญญาตัวเองว่ายังเป็นบ้าปฐานอยู่แะสนณะโคดมก็เหมือนพวกนี้แหละว่าอย่างงั้นนะผู้รู้ชาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเออจริงๆคําว่าอารานันอารันเนี่ยคือไกลจากกิเลสในกิเลสไม่มีอยู่ในใจตรงนี้ที่แสดงความเป็นบาปอา ร, ารันแต่ลราก็มีอีกหลายอย่างอย่างพวกปริภาชกหรือพวกพรามเนี่ยเขาจะบัญญัติกันว่าบุคคลนะมีการเกิดอยู่6แบบนะเกิดเป็นวัณณะพรามวัณณะอะไรต่างๆเหล่านี้ผู้รู้ชาก็ พูดถึงการเกิดอย่างสว่างมืดดําขาวพวกนี้แต่บัร<ะ>ยัติทับไปเลยอีกทีหนึ่งพวกพราม์นี่ก็ก็จะมีการบัญญัติว่าเออนี่เธ อ, เอบวชมา12ปีแล้วนะเป็นพรามมาสิบสอปีละดีลนะไหนยกย่องเชิดชูว่ามีตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้ให้นะพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติทับอีกว่าจะยกย่องเชิดชูเนี่ยเธอต้องมีมรรคในระดับนี้ระดับนีนะ้ถึงจะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกวบวชมา เหมือนกันสิบปีแต่ครันั้นก็เราพระพุทธเจ้าก็ามาเกี่ยวเชื่อมโยงกับธรรมะอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เรื่องนี้ยังรวมถึง <c oughs> พวกพรามนี่บางทีเขาบอกว่าเนี่ยพวกที่พ้นแล้วจากการตายคือหมายพ้นแล้วจากนรกกาเนิดเดรัจฉานเป็นวิสัยถ้าตายไปแล้วเนี่ยมีอยู่เก้าจำพว ก, <c oughs> พวกเาก็พูดพู ด, พดไปนะบัญญัติอย่างงุนอย่างงี้ไป <c oughs> พระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังถึงคุณธรรมในธรรมะวินัยนี้ในศาสนานี้เนี่ย ว่ามีพวกที่มีเก้าจพวกที่ตายไปแล้วจะพ้นจากนารกก็มีอีกแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ามาคิดว่าเป็นข้อดีมากที่ทำให้คนในสมัยนั้นเนี่ยเข้าใจกันว่าอะไรถูกอะไรผิดค่ะอืมว่าที่จริงแล้วคืออะไรกันแน่เนี่ยค่ะก็คิดว่าเป็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าในโลกเนี่ยเขามีเรื่องเหล่านั้นมีคำพูดแบบนั้นและมีคาจากัดความอย่างหนึ่งอยู่แล้วอืมแต่ว่า ท่านมาทำให้มันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอืหรือว่าตามธรรมมากขึ้นถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะเนี่คือคุณสมบัติของภาศาสดาของเราที่ได้ตรัสรู้ธรรมอันยิ่งใหญ่มาจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลา 2,600 ปีที่ท่านเพรบูรณ์นำมาฝากพวกเราเป็นประจำทุกวันนะคะมาถึงคำถามมาท่านคะเทวานก็ยังอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอยู่คือ ในการปฏิบัติเนี่ยนะคะมีผู้ปฏิบัติหลายคนเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกัน mm. ก็จะมีคำถามที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในลักษณะที่พอปฏิบตัติปฏิบัติไปตอนแรกอาจจะ ย, ยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของพุทธวจนะมากพอมาให้ความสำคัญกับเรื่องพุทธวจนะเริ่มต้นจากการพยายามเรียนรู้ก่อน ว่าสมมุติเริ่มต้นจากเรื่องของฌานตั้งแต่ลำดับขั้นที่หนึ่งปฐมฌานก่อนเพราะว่าอยากรู้ลักษณะว่าที่ตนเองปฏิบัตินั้นเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรไปอยู่ตรงไหนของลำดับของสมาธิใช่ไหมคะอืมใช่ใชอ่าสมมุติว่าฌานที่หนึ่งจะต้องมียังมีวิตกุวิจาร์อยู่อื ม, มีปิติมีสุข ม, มีอะไรนะคะเอกคตา แล้วก็มีจิตเป็นหนึ่งค่ะจิตเป็นหนึ่งคือเอกคตาอันนี้ครบคุณสมบัติหรือยังคะใช่ครบครบแล้วทีนี้มันก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปนะนั่นน่ะสิคะทีนี้สิ่งที่จะกราบเรียนถามท่านเนี่ยสมมุติว่าเป็นความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปคืออ่าอย่างรปีติสุขอธิบายก่อนกันนะคะอย่างปีติสุขพระพุเจาเคยเปรียบเทียบสมมติว่าฌานที่หนึ่งเนี่ยถ้าคุณมีปีติมีปีติสุขเกิดจากความคิดยังมีวิตกวิจารณ์อยู่อันนี้ดีละ นะทีนี้ว่าถามว่ามีทั่วตัวไหมพรนะรูปเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบ ว, ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขเนี่ยอันเกิดจากวิกวิจารเนี่ยไม่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยนะคือมันต้องทั่วตัวปลายนิ้วเท้าก็ต้องมีปลายเส้นผมก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นความละเอียดลึกซึ้งตรงนี้มันก็ไม่เหมือนกันบางคนมีแค่นิดหน่อยๆ อ, อย่างเงี้ยมันก็ก็จะได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะแต่ประเด็นที่จะถามเนี่ยอ่าจะ ต้องการให้ท่านเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาของฌานเมื่อกี้พูดถึงปฐมฌานใช่ไหมคะพอธุติยะฌานท่านมาเน้นว่าวิโต ว, วิจารมันหายไปถูกไหมคะพี่ฟั ง, ก, ง, ก, งก็คือเหลือปีติและสุขแต่ท่านพูดถึงปีติที่มันขั้นสูงมากขึ้นคือมันมีทั่วไปหมด อ, มอย่งนั้นใช่ไหมคะใช่คือ ค, คือมันละเอียดมันละเอียดมากขึ้นค่ะทีนี้พอไปลาดับถัดไปกันะคะทุติยะฌาน ปิติและสุขหายไปหรือเปล่าคะปิติหายเออปิติยังอยู่แต่ว่าเกิดจากสมาธิแทนวิตกวิจาร์น่หายไปอืมค่ะเนี้ยเนี่ยค่ะคือลำดับขั้นแบบเนี้ยสมมุติว่าเนื่องจากไม่มีใครบอกใครได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองอถึงจะเข้าใจว่าตัวเองนะัประสบกับอะไรบ้างหลังจากที่ดำเนินสมาธิไปกันไหมคะใช่ใช่ทีนี้การรู้เนี่ย รู้เพื่อที่จะให้เราตั้งเป้านะครับว่าวันนี้ฉันจะนั่งให้ได้ตรงนี้เลยปีติจะต้องมาอืหรือสิ่งเราเนี้ยพัฒนาไปเองค่ะคือคืออันเนี้ยเปนเป็ น, น, น, เ, ปนเป็นผลมันคือสมาร์ของบุรุษชาเนี่ยคุณโยมตื่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเหตุเป็นผลถามว่าคุณต้องการปีติสุขอ่ะคุณอาศัยอะไรเป็นเหตุวิตกวิจารใช่ไหมถามว่าคุณต้องการวิตกวิจารเนี่ยให้จิตมันสงัดจากการมสังัดจากอคติสรธรรมคือคุณจะมีวิตกวิจารณได้เนี่ยจิตคุณต้องสงัดจากการมสงกัดจากอคติสุรธรรม S <S <S 1> <S 1> จะสงกัดจากกรารสังกัดจากอกษษาริยสธรรมทั้งหลายคุณเอาสาอะไรเป็นเหตุ <S <S <S <S นี่ตรงนี้คือถ้าเราสร้างเหตุไม่ถูกคุณจะไม่ได้ <S 2> <S 2> <S แล้วคือถ้าเราหวังผลว่าเออหวังปิติสุขนะเราต้องไปทําที่เหตุอย่าไปหวังที่ผลเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเหตุถูกต้องแล้วเนี่ยอย่างสมมุติถ้าเรามีความอยากอยากมีปิติสุขเนี่ยคุณคุณไม่ได้แล้วเพราะยังคุณมีความอยากเพราะฉะนั้นที่เราต้องทําให้ถูกก็คือว่าเอางี้เรามาสังเกตลมหายใจอย่างเดียวเป็นต้นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าคนต้องการฌานที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกว่า อั้นพึงทำในใจซึ่งอาณาปานสติเนี่ยให้เป็นอย่างดีนะ <Okay. S 1> ถ้าเธอปรารถนาฌานที่1เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราสร้างเหตุให้ถูกของการที่จะมาได้ฌานที่1ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราเราได้แล้วอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมคือเราก็ปรารถนาถูกนะเราปรารถนาสร้างเหตุแต่ทําไมเรายังไม่ได้ค <Okay. S 1> ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแสดงว่าโทษของกามกามเนี่ยคุณยังไม่เห็นพระเจ้าเคยบอกว่าเอ๊ะทำไมจิตของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็รู้ว่า แหมสมาธินี่มันดีนะแต่จิตทําไมมันไม่แล่นไปทําไมมันมันทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าอ๋อก็เพราะว่าโทษของไอ้กามเนี่ยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรายังไม่เห็นแล้วอา น, นิสงส์ของปีติสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับรู้เลยยังไม่เคยลิ้มรสเลยนะจิตของเราจึงไม่แล่นไปแต่เมื่อไร่ที่โทษของการเห็นมากๆเห็นมากๆเห็นมากมากโอ้โหจึงตั้งขยะขยง แล้วก็อานิสงของวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารเนี่ยเราก็ได้รับอยู่เรื่อยๆทํำบ่อยๆทํามากๆคุณโยมติ๋วจิตมันจะเล่นไปทางนั้นได้ค่ะออทีนี้กําลังข่งต่อเลยโทษโทษของกรรมอย่างเงี้ยเราเห็นว่าโอ้ไปกินข้าวขาหมูอร่อยๆเดี๋ยวไปกินแหนอาหารดีๆนี่ยังดีอยู่อันนี้คุณก็จะเข้าสมาธิได้ยากมันมันเป็นธรรมดาค่ะอองั้นความรู้สึกจากโทษของกรรม หรือการจะปลดปล่อยจากโทษของการคือมองเห็นโทษให้มากขึ้นไมได้เห็นโทษมากๆเลยค่ะจะต้องไม่ใช่เกิดจากสมาธิก็ได้ถูกไหมคะคือเกิดจากการใช้ชีวิตแล้วเราพิจารณาให้เห็นอืมหรือเปล่าคะใช่อพิจารณาให้เห็นว่ามันมีโทษยังไงสมมุติคุณไปสั่งอาหารมาจานหนึ่งปรากฏว่าเขาแถมเส้นผมมาด้วยโอยมันจี๊ดมากเลยเอะเราไม่ได้สั่งเส้นผมไม่เอาไซ้์ผมแล้วก็แม่งวันมาให้ด้วย S <S <S และเราเห็นโทษทันทีโอ้โหนี่ไงโทษทันทีละมันนิดเดีย ว, วเราทำให้เราจี๊ดขึ้นมาเลยต้องพออยายา น, นโทษคนนี้บ่อยๆใช่ใช่ถ้าสมมติว่าออันนี้ถ้าเรื่องของอาหารที่ท่านยกตัวอย่างก็อาจจะเปรียบเทียบเหมือนโทษของการที่เกิดขึ้นจากการมีตาไปเห็นใช่ใ ช, ใช่ไหมคะ<ช>และลิ้มรสไปอร่อยก็จะเป็นเรื่องของลิ้มรสต่อไปใช่แล้วก็ถ้าได้ยินเสียงที่เราพึงพอใจอืแล้วเกิด ความพอใจอแล้วก็ลุ่มหลงมันอยากฟังอีอยาได้ยินแล้วมีความสุขปรากฏไฟดับเสร็จเลย <c oughs> เแบตหมดอย่างนี้เสร็จเลย <c oughs> นี่โดนโทษอย่างนี้ค่ะกายไปสัมผัสกับอะไรนะโหมันนุ่มมันนวลมันน่าสัมผัสมากมมแล้วใจนึกถึงเรื่องอะไรแล้วรู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันยินดีไปกับมันอันนี้คือคือห้าอย่างก่อนเอาห้าอย่างก่อนคือการมาคูนทั้งห้า <C> e จำเป็นเราเห็นโทษแนอ น, นี้มากๆจิตเราจะแล่นไปหาความสุขที่เกิดจากในภายในคือจิตมันจะไม่มีทางไปละมันห้าทางมันออกไปไม่ได้ละเพราะมันเห็น <C> e แต่โทษมันขยักข ย, ยั่งละมันก็จะ อ, อกออกมาทางในใจของเราค <C> e ่ะอ <C> e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็เหมือนกับว่าบางทีทําไมผู้ที่ตั้งท่าตั้งหน้าตั้งตาจะปฏิบัติถึงอาจมีความจําเป็นไม่ต้องละทิ้งในความเพลิดเพลินในกาลมาสุข อย่างนี้ด้วยไปอีกเลนอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าคะอันนี้ถูกต้องทีนี้เอ่อมันมันก็เป็นอย่างนี้นะคุณยมติว๋วคือบางทีเราเรามีความสุขที่เกิดจากการมคุณ5ได้แต่ว่าเราไม่ได้เสพกามกามเนี่ยคือความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในการมาคุณตั้ง5ค่ะนะถ้าเราเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาในการมคุณทั้งห้าอันนี้คุณคุณเริ่มมีปัญหาแล้ว อย่างย่อตัวอย่า ง, า ง, า ง, างข้าวขาหมูที่เขายกมาแล้วก็แถมเส้นผมแล้วก็แมงวันมาให้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เพลิดเพลินรุ่มหลงเราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เขี่ยมันทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปกินจานใหม่แล้วก็ไม่ด่าใครไม่ว่าใครอย่างเงี้ยนะคะอืก่าพูดถึงเรื่องของเรื่องของการที่จะละทิ้งในสิ่งพวกนี้บางทีมันก็ต้องเข้าใจเหมือนกันถึงเรื่องคําสอนแต่ประเด็นที่ดิฉันจะถามท่านจริงๆเนี่ยโดยทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ต้นมาก็หมายความว่า เราเนี่ยถ้าจะเป็นผู้ปฏิบัติเราควรรู้พุทธวจะนะไหมพันก็พูดในทํานองว่าเราควรรู้ถูกไหมคะแ น, น่ น, นอนแน่นอนต้องรู้ต้องรู้แต่ว่าการที่เรารู้ไม่ใช่ว่ารู้ไวเพื่อจะไปกะเกณฑ์ว่าเราจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้รู้เพื่อที่ให้เรารู้ว่าเราต้องทาเหตุให้ถูกต้องแล้วในขณะที่เราสร้างเหตุไปนั้นทาทั้งหลายจะปรากฏ โดยทำที่ปรากฏถ้าหากเข้าข่ายของปฐมฌานก็แปลว่าท่านอยู่ในปฐมฌานอืมใช่ถ้าเป็นลักษณะที่อาการของปฐมฌมานจางคลายลงไปในเรื่องของวิตกวิจารและไปปรากฏชัดเจนเป็นเรื่องของปีติเรื่องสุกนั้นแปลว่าท่านขึ้นชั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราตั้งเป้าแล้วเราคิดว่ามันต้องได้อย่างนั้นแล้วเราก็เลยไปรู้สึกว่าเอะเราไม่เห็นเจริญก้าวหน้า แต่ให้เราพยายามสร้างเหตุหตไปใช่แล้วให้รู้ว่าเมื่อมีทาแบบเดียวกับที่บัญญัติไว้ในพุทธวจนะปรากฏเนี่ยแปล ว, ว่าการทำสมาธิของท่านเจริญไปอยู่ตรงที่นั้นๆแล้วใช่ใชนะคะอันนี้สําคัญนะคะท่านเพราะว่าดิฉันได้คุยกับคนที่ศึกษาในตัวบทเนี่ยค่ะอืมก็จะมีความรู้สึกว่างงๆว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปไปได้ยังไงแล้ว ม, มันจะต่อไปยังไงอื ม, อมนั่นแหละ คื อ, ค อ, คอต้องเป็นลําดับขั้นผู้ที่ชอบเคยพูดถึงลําดับขั้นของการฝึกอย่างการฝึกช้างการฝึกม้าเนี่ยต้องฝึกให้เขารู้จักรับสวมบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปเช่นเดียวกันเราจะฝึกจิตของเราเนี่ยก็เป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากศีลไปจนถึงการรู้จักประมาณในการบริโภคไปจนถึงการรู้จักเเสพเศนาสนะอันส ง, งนัดการมีสติสัมปชัญญะการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นลําดับลําดับขั้นก็จะไปได้ตามลําดับค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า เราจะได้พยากรในสิ่งที่เราเองเป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครมาร่วงรู้ข้างในของเราขณะปฏิบัติเนี่ได้ว่าเราพัฒพนาไปทางไหนและถูกทางหรือยังใช่ทีนี้ให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณโยมติวทราบตรงนี้ว่าเราขอแค่ บ, บทเดียวพอเราไม่ต้องรู้อะไรมากค่ะนะอย่างรเรารู้บทเดียวเช่นว่าเราไม่เที่ยงอย่างเงี้ยคุณก็ปฏิบัติไปได้ละสมมุติว่ารู้บทเดียวไม่เที่ยง ท่านลองยกตัวอย่างว่าแล้วเราจะปฏิบัติได้ยังไงบางานคนอาจจะยิ่งงงค่ะอย่างสมมติเราจะสิ่งที่มันทําให้เราชอบรุ่มหลงโมมาวการอย่างงี้น ะ, ะเราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงพอเราเห็นมันไม่เที่ยงเราจะวางได้ระดับหนึ่งแต่เราเห็นมันไม่เที่ยงบย่อยๆเรายิ่งจนเบื่อหน่ายมันมากเลยไอ้ที่บอกว่าเห็นโทษเห็นโทษอย่างที่อธิบายตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคือการเห็นความไม่เที่ยงเนะี่ยคือเห็นโทษแล้วนะค ะ, ะถ้าจะเป็นบทเพลงชนะสมบูรณ์หน่อยที่จะให้จดจําไปกันทิ้งท้ายวันนี้ ในเรื่องไม่เที่ยงนี่เป็นอย่างไรนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ค่ะอย่างเงี้ยก็ได้ละนะคะก็จําไว้เลยว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เรื่องไม่เที่ยงเนี่ยพิจารณาได้ทั่วไปทุกกรณีตลอดเลยตลอดเลยสบายใจได้เลยคนสัตว์สิ่งของพิจารณาความไม่เที่ยงได้หมด ได้อยู่เสมอนะคะวันนี้ก็การาบนมรสการขอบพระคุณท่านเพื่อบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเชิญพานค่ะท่านหวังที่ครับผู้ทวจนะจึงมีความสำคัญอย่างที่ท่านทราบไปนะคะว่าจะทำให้การปฏิบัติของท่านนั้นไม่หลงทางไม่สูญเปล่าแล้วก็มีความอุ่นใจอยู่เสมอว่าเรามีการกำกับโดยธรรมของพระาศาสดาที่ตรัสคไว้ยั่งยืนมาจนกระทั่ง วันนี้ก็เป็น 2,600 ปีแล้วก็ได้ทราบว่าการรู้พุทธวจนะเพียงบทเดียวก็มีประโยชน์เหลือเกินอย่างวันนี้ที่ท่านไปบุญได้มอบให้กับพวกเราว่ารู้เรื่องของสังขารทั้งหลายมิเที่ยงเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าเออมันเป็นทุกข์แล้วเราก็จะได้พิจออารณาเพื่อที่จะเกื้อกูลกับการที่เราจะทำสมาธิได้ง่ายๆมากขึ้นด้วยวันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ และอยากจะบอกว่าคำราษาสดามีค่าแค่ p o c k e t b ต o k เล่มหนึ่งเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าถ้าใครท่องได้เนี่ยโหชีวิตจะได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายอันปรากฏกับตัวเราเนี่ยเรามีคำตอบนะคะแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์วันที่เราฝากเอาไว้สำหรับโทรศัพท์ที่จะให้ท่านโทรเข้ามาขอก็แล้วกันนะคะเป็นหนังสือที่อาจารย์คริสตโริป โ, ปโลโมอให้มาศูนย์สสอง 0006นะคะโดยการสัม ส, น, ส น, นาดำเนินรายการโดยสัสมนีหน้าผงก็จะกลับมาพบกับท่านทั้งหลายในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าครึ่งตอนตีห้าเช่นเคยคะ่ะตีห้าครึ่งนะจบนะคะวันนี้พุทธวัตสวัสดีคะ่ะ